เรื่องสร้างกุฏิปีพุทธศักราช2488สงครามโลกเพิ่งยุติลงแต่อะไรอะไรก็ยังหายากอยู่ผ้าก็ยังคงใช้ผ้าพื้นบ้านตามปกติท่านพระอาจารย์ก็ยังคงพักที่ศาลาความบุกร่องความไม่พร้อมยังคงมีอยู่แต่ท่านพระอาจารย์ก็ทนได้ สิ่งที่พร้อมคือเสนาสนะเพราไม้มีมากแต่คนไม่พร้อมทั้งพระทั้งชาวบ้านกินง่ายๆอยู่ง่ายๆแต่หากชุดคิดสักหน่อยว่าควรจะทํากุฏิถวายท่านให้ดีกว่าที่เห็นมีห้องพักฤดูร้อนมีลมโกรกมีที่นั่งดื่มน้ําร้อนมีที่พักรางวันฤดูหนาวติดไฟได้น่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ขาดผู้นำที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ขนทรงก็ลำบากจึงอดเอากว่าจะได้มาเป็นกุฏิเล็กๆสองหลังที่เห็นก็เกือบตายผู้เล่าเที่ยวชักชวนชาวบ้านนำออกเลื่อยไม้ในปา่าได้คนเข้าเป็นคู่พอได้ไม้โครงเสร็จจะนำเข้าวัดก็ไม่ง่ายเด็กเลี้ยงควายความรู้ประถมสองอายุ22พรรษา ทำไมอาอาหารจานใส่นักก็ไม่รู้การนําไม้เข้าวัดหากไม่มีความคิดไม่มีหวังการจะสร้างกุฏิถวายท่านโดยไปประรบให้ท่านฟังก่อนก็ไม่มีทางเป็นไปได้แต่การนําไม้เข้าต้องมีใบรับรองจากป่าไม้อําเภอและอย่าพูดว่าจะเอามาสร้างกุฏิต้องบอกว่าชาวบ้านคนหนึ่งเขาสร้างบ้านมีไม้เหลือ อยากถวายวัดท่านก็ว่าศรัทธามีก็เอามาหากท่านถามหาใบอนุญาตก็ต้องเอาให้ท่านดูโชคดีวันนั้นกำนันนำใบอนุญาตมาให้เนบอยู่ที่พระคตเอลผู้เล่าท่านขอดูก็เอาให้ดูได้ทันทีท่านดูแล้วก็ส่งคืน ความเกียคร้านของคนสมัยนั้นขนไม้เข้าวัดแล้วมีแต่ไม้โครงแต่ไม่มีเสาทิ้งไว้วันแล้ววันเล่าผู้เราจะวิ่งเต้นชักชวนอย่างไรก็บอกกันแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ก่อนไม่สิ้นสุดสักทีวันนั้นมาถึงเข้าท่านฉันเสร็จเดินลงมาจะไปห้องน้ำยืนดูกองไม้ ขณะนั้นมีโยมสามถึงสี่คนพร้อมผู้เล่าติดตามไปพอเห็นท่านก็พูดแรงๆว่าใครเอาไม้มากองไว้นี่มันรกวัดจะทําอะไรก็ไม่เห็นทําเสาก็ไม่มีเอาคนเลือเป็นเสาคนนั้นไปยืนนั่นคนนี้ไปยืนนี่อย่างนั้นรลือรีบขนออกไปใครจะเลื่อยเอาไปแบ่งกันก็เอาไปท่านว่าแล้ว ก็ทั้งรู้สึกกลัวทั้งขบขันเอาคนมาเป็นเสาอ้าหกวันให้หลังก็ได้เสามาพุทโธเอ๋ยช่งางไร้สติเสียจริงๆรทีนี้เสามาแล้วไม่มีใครทําอ้างแต่ว่าทําไม่เป็นทําไม่เป็นทั้งพระทั้งโยมเด็กเลี้ยงควายประถมสองผู้กล้าหานชานชัยเหมือนเดิมตัดสินใจให้โยมเอาต้นหญ้าสาบเสือมา เอาตอกมัดสร้างโครงขึ้นพระอาจารย์เดินมาเห็นท่านถามว่าจะทำอะไรเรียนท่านว่าจะสร้างกระต๊อบด้วยไม้ที่มีอยู่กระผมท่านถามว่าเนี่ยหรือแบบตอบว่ากระผมเออใช้ได้ท่านว่าฟังแล้วแสนจะดีใจท่านถามว่าปลูกที่ไหนเล่าตอบท่านว่า ปลูกที่นี่ขอรับกระผมที่ที่มีผู้ไปนมัสการเห็นกันอยู่ตอนนี้หละแต่ก่อนมีต้นว่าอยู่ข้างหลังเวลาบ่ายมีนกเขามาขันทุกวันเรียนท่านว่านกเขามาขันที่ต้นว่านี้ทุกวันจะได้ฟังเสียงนกเขาท่านว่าเออดีปลูกก็ปลูกเรื่องโครงสร้างได้สองวัน พระอาจารย์พรมจิรปุญโยมาพอดีผู้เล่าโล่งอกเราไม่ตายแล้วพรุ่งนี้ฉันเช้าเสร็จพระอาจารย์พรมก็ไปสั่งการใช้แกนฐานเฟชายขีดเส้นจอดตรงนั้นผ่าตรงนี้ทั้งโยมทั้งพระระดมกันใหญ่เลยประมาณสิบวันก็เสร็จเรียบร้อยชาบ้านขอนิมนท่านพระอาจารย์ขึ้นไปอยู่ท่านบอกว่า ไม้ยังใหม่อยู่ยังไม่คลายกลิ่นหมดกลิ่นไม้ก่อนค่อยไปตั้งแต่วันท่านพระอาจารย์ไปอยู่จนบนัดนี้ไปกราบน้มาสการคราวใดคนหัวลุกทั้งละอายคิดไม่ถูกควรทำให้ลักษณะดีกว่านี้นี่พอเป็นรูปโคโรโกโสทั้งสลดทั้งสังเวทตนเองเด็กประถมสองเด็กเลี้ยงควายบรร น, นอกทำไมแกมาอาดอาหารชานชัย ให้ผู้ดีมีเกียรติมาดูหัวคิดฝีมือของแกได้เป็นจิตสำนึกมาจนบัดนี้